พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบห้าลำดับที่ห้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หตุลาคม2556ห้าหมีชื่อเรื่องว่าเครื่องพันธนาการ คนเฮาเกิดมาในโลกเนี่ยห้างเชื่อเถิดถือเขาตัวก็มีเขาต้มก็มีแต่ก็บางเรื่องก็อยากจะให้ยินดีให้ให้เขาตัวให้เขาต้มก็มีวันหนงไปยินดีให้เขาตัวเขาต้มก็มีแต่บางที่ถูกเขาต้มก็มีบางที่ผู้ผู้เขาต้มคึกสนุกต้มก็มีวันหน่งไปกี่ตัวก็มีวันหน่งไปลายแนี่ยแต่ละลูกหลานในโลกเนี่ยเพราะนั้นเฮาต้องละมัดระว่าง ไปอยู่ในสถ า, านที่ใดอย่าไปให้เขาตัวเขาตุมขนาดเนี้ยพอเยนวัดกันยังถือเขาตัวได้เลยพวกเขาอยากจะฟังว่าเนี่ยพอเยนวัดถึกถึกเนี้ยน้อยตัวเองไปเนี้ย น, น, น้อยขึ้นสนุกขึ้นเมาน้าลงไปเนียน้อยขึ้นสนุกขึ้นเม้าเนี่ยเฮ็ดจังไห น, นอเนาะเ่นใดวันนี้เห็นเนี่ยพอพูดเองมากอายุอญญายะเมา้าลงไปพอมาหอดจาล่าถึบอกไว้เนี้ยพอเนี้ยพอเช่นใด ยา่พอขน่อยอยู่ในวัดหัวเหนียวหูตึงหัวหนวกได้ไห่านนบอกต้องบอกแห้งแห้งแด้วหมท่านเนอ่ย่า่พอมาตเตอใส่ไหม่นเนีพูดแล้วมาจากทางภาคกลางพูดแล้วว่าไงเออนั่นอ่ะเวลาไปหายยา่พอขน่อยเนี่ยต้องบอกแห้งแห้งว่าไงเพื่อนเนี่ยถ้าพอขน่อยหูเล ja. ็กหตึงตัวหัวหนวกก็จะเนยเดี่ยหน่อยบอกยา่พอแขกที่มาใหม่ ป่นไไปบอกเงี้ยพอเจ้าของบ่นไหงยพอว่านดไอเงี้ยพอที่มาใหม่หูหนวกได้หรือท่านใดการบอกเพลินบอกแหงๆเนอะวะท่นใดเพนยังจิตได้งียบวะ่นดแต่ได้เกิดเน่น่อยเป็นซื้อกาลลงไปพอใน้งี้ยพอเขามากรับลงไปเงี้ยพอถึงเจ้าของทีนกระถามแขกแล้วไปมาแต่สายมาจากภาค ไปในหูบร mm ิม hmm. ันตนปะดายบหน้าหูบริเสียนะโอ้ยส่วนสิหุจักเน่มนน่อยต้มหมเไปอม่นหน้อยต้มไปแ่นอนไปซื้อกางไห้วันนีน่แหละพวกเข้าไ้ละว่างเนีู่พุฒาผู้แกเน่ยลงพอนี่ละว่างเด้พได้เ้าบ่าวลงพอเนี่ยฟังเบืองให้ก่อนว่ามันแมนบ่สะก่อนเนี่ยเหตุขึ้นเงี้ยพอเนี่ยพอนี่ถือหลอกแน่นน่อะ เนี่ยน้อยต้มมันลงไปเอาไปสัวสิ๋วจักกันบาเพื่อพองหูดีทั้งสองเลยพ่อแห้งเลยตะโกนใช้กันมันลงไปโตตัวโตตเวโตตัวอแม่ถืกเนี่ยน้อยต้มก็ขัดตัวเฮาเนี่ยมันไว้ได้บาดนี่แหละเยี่ยว่าเฮาปอยู่ใส่ตัวเจ้าพ่อยางยิงผู้เฒ่าผู้แกอพ่อแม่ของคน เวลาทจะยูใส่ต้องลูกน่องเบาอย่างให้ฟังต้องหูหนักไว้ก่อนหนเอยต้องไข้ข้วนไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนอาจากนั้นค่อยสืบคอยสอบคอยถามบั่งมันเป็นอย่างที่มันเบาบาไหนถ้ามันเป็นอย่างที่เขาเบาเออเอายังค่อยว่าตามเนื้อผ้าอาผ้าสีแดงผ้าสีเหลืองผ้ายัางก็เบอกตามเนื้อผ้าแค่นั้นปุ๊บปั๊บได้เงี้ยงมากเลย พ่อปันย่าพอถึกแน่นหน่อยตมเนะี่ยโอ้เสียหายแต่ก็บอเสียหายไประเดว่าแน่นหน่อยแนตะ่ว่าไปหัวเราจะจุใส่คดใส่โขว่แห้งหมดเลยแย่พอตะโกนใส่กันมนันลงไปอโอป้ประสบสําเร็จเลยประสบประสบสําเร็จที่ตัวแย่าพอตะโกนใส่กันมนันนี่แน่นหน่อยแต่เย็นเลยก็ดีใจว่นนั้นไป วันนี้เป็นวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2556เมื่อคือนนีเป็นวันพระเดือนสิบดับและก็วันก่อนเป็นวันที่3ตุลาเป็นวันประสูติเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน วันที่สองคณะสงฆ์วัดของเราก็ได้สวดมนต์สวดพระพริตะมงคลเพื่อบูชาพระคุณแต่เมื่อคือนเนีเป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระแรมส5บ้าค่เดือนสิคณะศรัทธาญาติโยมมามากเพราะว้เป็นวันพระเป็นวันอุโบสถรักษาศีลอุโบสถเป็นวันปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็พา คณะสัธตธาญาณโยมพระสงฆ์สวดพระปริตตะมงคลเพื่อเป็นการบูชาสังฆราชบูชาอาจารย์ยะบูชาชเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับพระองค์ท่านพราพวกเราอยู่ในป่าดงพงไพรไม่รู้จะทดแทนพระคุณท่านด้วยอย่างไรแต่อย่างอื่นเราก็คิดว่าพระคุณท่านพระองค์ท่าน คงจะมีสมบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งกว่าพวกเราพวกเราอยู่ในป่าดงพงไพมีแต่ส่งกระแสจิตกระแสธรรมที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีที่พวกเราได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีได้รักษาศีลเมื่อวานเป็นวันพระรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถแล้วก็ประกอบคุณงามความดี จากนั้นพวกเราก็ได้เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาส่วนหนึ่งและก็เป็นอาจารยยบูชาสังฆาระสังฆาระบูชาบูชาเจ้าพระคุณสมเด็จที่พระ อ, องค์ท่านมีอายุครบร้อยปีเมื่อวานวันที่สามตุลาห้าหก อันนี้ก็คือพวกเราได้กระทำแต่วันนี้เป็นวันที่ห้าเขาจะสวดอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนมั้งอันนี้พวกเราก็ได้ทำสองวันและก็พร้อมกันอีกสิบห้าวันจากนี้ไปเขาเป็นวันประวารณาออกพรรษาเป็นวันที่สิบเก้าวันนี้เป็นวันที่ห้า วันที่สิเป็นวันออกพรรษาวันประวารณาแต่กรถินวัดของเราก็อย่างที่ขึ้นไปไว้บอกประกาศเป็นวันที่27ตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันกรถินวัดป่านาคําน้อยของเราแต่เราไม่มีการแจกซองไม่มีการไม่มีอะไรมีแต่บอกกล่าวถ้าหาว่าคณะทัตธาญาติโยมกลุ่มใดที่จะมาร่วม อดกรถินได้ก็เชิญมาร่วมกันปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งที่วัดของเรามาพบหน้าพบตาเห็นกันถ้าจะว่าสังสรรค์กันก็ใช่หรือจะมาร่วมกันทําบุญก็ใช่มาได้มาพบมาเจอหลวงพ่อเองก็จะได้เห็นคณะศรัทธาญาติโยมมาพร้อมหน้าพร้อมตากันพวกเราก็จะได้มาเห็นหลวงพ่อปีหนึ่งนานทีปีหนน ได้มาพบมาเจอกันเพราะนั้นขอบอกกล่าวให้ต่อๆกันไปด้วยที่ญาติโยมรู้จักมักคุณบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบหลวงพ่ออินวัดป่านาคำน้อยอที่พวกเราเคยไปบวชเคยไปทำบุญเคยไปอยู่กับท่านกฐินปีนี้วันไหนนะ้านก็เป็นวันที่ยี่สิบปีนี้ปีห้าหนะคือการประกอบ คุณงามความดีการสร้างบุญสร้างกุศลพวกเราก็ควรจะสั่งสมถึงจะไม่ได้มาวัดป่านาคำน้อยก็ไปที่อื่นก็ทำบุญ เ, เก็บเล็กผสมน้อยล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับตัวของเราถ้าไม่ได้ไปที่ไหนเราอยากจะทำทานเราก็หยดกระปุกอย่างที่หลวงพ่อพูดถ้าไม่ได้ทาทานเอา ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศสลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็บอกว่าควรจะทำทั้งสามอย่างทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาถ้าเราจะเอาแต่ภาวนาอย่างเดียวอันนี้สงในการเป็นอยู่ รูากดระเบียบเขาจะมาเบียดเปลียนหลังแกรเรามันก็ไม่ครบมีแต่นั่งภาวนาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้รักษาศีลแล้วก็ไม่ได้ให้ทานแต่เราให้ทานอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ได้รักษาศีลโดยที่ไม่ได้ภาวนาอันนั้นก็ขาดเพราะอั น, น้สงสามอย่างนี้ให้ผลคนละอย่างกัน ให้พลนคนละอย่างกันแต่ถึงยังไงเกื้อกูลหนุนกันให้ทานเราเกิดมาพบใรชาติใดเราจะเป็นผู้ไม่อดอยากทำกิจการงานล้านค้าอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองเพราะอันนี้สงทานเกื้อกูลหนุนในอดีตเรามีน้ำจิตน้ำใจกับคู่คนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษยชาติในชาตินี้ก็เป็นที่ยอมรับของคู่คน เพราะเหตุไรเพราะเรามีน้ำใจในเมื่อเราออกจากภพชาตินี้ไปไปเกิดในภ ร, รโลกหรือไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าอนกสงในการทําทานในเกือ้อกูลหนุนเราไปทํากิจการงานอันไหนก็กิจการงานนั้นก็เจริญรุ่งเรืองไปได้ดีเพราะอเนกสงทานของเราเกือ้อกูลหนุนแต่อเนกสงเสนเท่าไม่ได้เบียดเบียน เราไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้ขโมยเราเคารพในสิทธิสามีภรรยาเราไม่โกหกใครเราไม่ดื่มสุราให้ขาดสติอันให้สงสีลคุ้มครองเกิดมาพบนายชาติหน้าสุขภาพร่างกายของเราก็แข็งแรงเพราะเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้รังแกสัตว์แล้วก็ได้สิ่งของมาก็ไม่มีใครจะมาเบียดบังมาขโมยเราเพราะเราไม่เคยทาให้กับคนอื่นเขา การที่จะมาก่อขึ้นมาใหม่อันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าที่จะทำบาปกรรมของเราในอดีตชาติที่เราเคยขโมยเขามาก่อนอันนั้นไม่มีเพราะศีลของเรารักษาดีแล้วในอดีตเนอะและ้แลก็สามีภรรยาของเราก็เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้เข้าใจกันเพราะเหตุไรเพราะอนสงสีนของเราเคารพศีิสามีภรรยาลูกหลานคนอื่นเขา มาพบนี้ชาตินี้เขาก็เคารพสิทเราอันนี้ินข้อที่สข้อที่สี่พวกเราไม่เคยโกหกเขาพูดอะไรพูดพูดด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงศิลข้อที่สี่ก็คุ้มครองเกิดพบใดชาติใดก็ไม่มีใครมาต้มตุตนหลอกลวงเขาเรานะ่ยแต่ถ้าหากว่าเราเคยโกหกเขามาก่อนก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะขนาดหลงตาหูหนวกไปเจอกันหูดีไปเจอกันยัง ถูกเนียนน้อยหรอกครับนี่แหละอันนี้ก็คือความโกหกแล้วก็ข้อที่ห้าเรารักษาสินดีสติปัญญาของเราก็ดีแล้วก็เราจะไปนสถานที่ใดก็ไม่มีใครที่จะมาเกะกะระรานเราเพราะเหตุไดเพราะอนิสงสินของเรารักษาดีแล้วศินคุ้มครองอะ สินในอดี ต, นนดตและก็สินในปัจจุบันคุ้มครองนี่แหละอั น, นี้สงทานกับอันในสงสงสินคุ้มครองต่างกันแต่อันในสงภาวนาอันในสงภาวนาคือเราพยายามฝึกสติให้อยู่กับตนเองเกิดมาพบใดชาติไดเกิดมาชาติหน้าก็เรียนหนังสือก็เก่งกว่าเขาเพราะว่าเรามีสติมีสมาธิในการเรียนในการศึกษาสมองของเราก็ปลอดโปร่ง เพราะนั้นอันนี้สงศีลก็ดีอันนี้สงทานอันนี้สงทานก็ดีอันนี้สงศีลก็ดีอันนี้สงภาวนาก็ดีอย่าจาเป็นด้วยกันเพราะนั้นพวกเราอยู่นสถานที่ใดอยู่ในมุมไหนที่เราได้พบเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธทเจ้าท่านสอนไว้บอกไว้ในพระไตรปิฎกอย่างจากนั้นครูบาอาจาร พระสงฆ์ทั้งหลายอย่างหลวงพ่อเป็นต้นก็จะได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาลจากนั้นพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็มั่นใจว่าพวกเราเมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วความสงบพร่มเย็นเป็นจุกก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายเองไปอยู่ณสถานที่ใดไม่มีเวรไม่มีภัย มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ก็คือทานศีลภาวนาแต่ว่าเรื่องภาวนาเป็นเรื่องที่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้ความสำคัญอย่างมากเรื่องภาวนาเรื่องจิตตภาวนาเรื่องทานเรื่องศีลก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเป็นเครื่องสนับสนุนแต่เรื่องจิตตภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ พวกเราจะต้องศึกษาจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเองเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาเองเหมือนเราไม่ทานอาหารเองเน่เราจะอิ่มได้ยังไงถ้าเราไม่เรียนหนังสือเองเราจะได้รับความรู้ความฉลาดได้ยังไงให้คนอื่นเรียนให้ใหคนอื่นกินให้ให้คนอื่นออกกำลังกายแทนเราอย่างนี้มันไม่ได้บางสิ่งบางอย่างเราต้องทาเองเนี่ยเรื่องจิตภาวนาลักษณะอย่างนั้น่ะ เพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาณโยมลูกหลาน้เรื่องจิตตภาวนาเป็นจริงที่จําเป็นสําคัญเรื่องฝึกสติสัมปชัญญะในตัวเองจากนั้นก็ให้ภาวนาพอภาวนาเข้าไปแล้วนะจะรู้จักวิธีการจิตใจของเรามันลุ่มหลงติดกับอะไรมันมีอะไรที่จะเป็นเครื่องพันธนาการทางจิตใจทางตัวของเรา เราจะแก้ด้วยวิธีการอย่างไรนี่แหละถ้างว่าพวกเราภาวนาพวกเราจะรู้พระพุทธเจ้าท่านว่าเครื่องจองจําเครื่องจองจําหรือว่าโซ่ตรวนที่ลัดแข้งลัดขาของมนุษย์ชาติเนี่ยยังเป็นเครื่องเล็กน้อยทำไมในครั้งพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ท่านไปปฏิบัติอยู่ในป่า ไปเที่ยวตุดงในป่า30ม ร, รูปเข้ามากราบพระพุทธเจ้าแต่ได้พอมาวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงกรุงสาวัตถีอยู่วัดป่าเชตตะวันพอมาถึงตอนเย็นก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าออกคํำแล้วพอตอนเช้าก็เลยพะระ30มสรูปมันไปบินทบาทพอไปบินทบาทไปเห็นเออ เรือนจำเรือนจำสมัยก่อนเขาคงจะไม่ได้ปิดมิดชิดเหมือนทุกวันนี้เพราะไปเห็นเรือนจำท่านั้นน่ะพวกเขาจับโจรผู้ร้ายได้พระเจ้าเพนดินก็ให้ใส่คือคาคือคากระใส่อะไรล็อกคอไว้ล็อกแขนไว้ทั้งเชือกทั้งเชือกทั้งไม้ตีริมสกัดเอาไว้ไม่ให้โจรไปได้ดูดูแลเต็มไปหมดเลย พวกพระบ้านนอกนี่ไปไปเห็นไม่เคยเห็นอนักโทษที่เขาใส่คือคาในคอนั่งนั่นะอยู่เต็มไปหมดอยู่ข้างถนนที่เขากักขังเอาไว้พระสงฆ์เท่าไหนเห็นแล้วโอ้โหตนกตกใจยจากนั้นพอฉันยังหันเสร็จแล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าพระพุทธเจ้าค่า วันนี้พวกข้าพระองค์ได้ไปบินทบาทไปเห็นพวกโจรที่เขาจับมาได้ใส่คือคาล็อกขาล็อกคอโอ้เครื่องพันธนาแน่นหนามั่นคงมากไปเจ้าขานะคงจะไม่มีอะไรที่จะโจรเหล่านั้นที่จะหลีกลี้หนีไปได้พราพระพุทธองค์บอกว่ายังคเครื่องพันธนาการอื่นที่มันเหนียวแน่นกว่านั้นยังมีนะภิกษุทั้งหลาย พระสงฆ์ทั้งหลายคนเครื่องพันธนาการที่เหนียวแน่นหรือว่าแข็งแรงกว่า น, นั้นยังมีอีกหรือพระเจ้าขามีเครื่องอะไรที่หยังมัดแน่นถึงข น, นาดนั้นพระเจ้าข่าพระองค์พระพุทธองค์บอกว่าสรพรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเนี่ยติดอยู่ในเงินคําทรัพย์สมบัติพัสถานที่พักผ้าอาศัย สามีภรรยาลูกหลานนี่แหละเครื่องพันธนาการเหนียวแน่นที่สุดเย่ยงกว่าเครื่องพันธนาการเหล่านั้นจากนั้นพระพุทธองค์ก็ยกเป็นอดีตชาติให้ฟังสมัยหนึ่งเราเคยเกิด เ, เป็นทุกขตะเป็นคนมีฐานะต่ำนี่พระพุทธเจ้าทั้งเกิดเกิดทั้งเป็นทั้งกษัตริย์ด้วยนะเป็นทั้งเศรษฐีด้วยแต่ ชาตินั้นอ่ะท่านเกิดเป็นคนมีฐานะต่ำมีเงินมไม่ไรวยเกิดมาเป็นคนชาวบ้านชาวบ้านไม่รวยเป็นทุกขตะเนี่ยท่านบอกว่ า, วาพอต่อมาพ่อเขาแม่ก็เลยแต่งงานให้เราหาภรรยาให้ต่อมาพ่อก็เลยตายพอร้อยตายแลย้วก็ยังเหลือแต่แม่แม่เราก็เลยดูแลแม่ พอดูแลแม่แม่ตายอีกพอแม่ตายแล้วก็คิดอยากจะบวชชีวิตของเราเนี่ยอยู่อย่างนี้เนี่ยมันคงจะไม่รู้จะอยู่ไปยังไงจนอีกต่างหากทุกอีกต่างหากเรานี้ไปบวช ด, ดีกว่าแต่นี้ก็บอกครับแม่บ้าน่ะพี่แต่งงานแม่บ้านโอ้ฉันตั้งครันแล้วนะจะเป็ น, นี้ไปได้ยังไงต้องอยู่ด้วยกันก็เลยอยู่ พออยู่ต่อมาอีกอพอคลอดลูกเอิบฉันจะไปแล้วนะออจะพึ่งไปเอืเอ่ให้ลูกหย่านมซะก่อนอพ อ, พ อ, พอลูกใหญ่หยานมกับคนที่สองก็เกิดขึ้นมาอีกนี่แหละในชาตินั้นเราก็เลยพอคลอดคนที่สองแล้วเอเอให้สมบัติทั้งหลายให้เจ้าดูแลกันแล้วกันนะดูแลนะเร า, าจะหนีไปบวชนั่นแหละในชาตินั้นเราจะหนีไปบวชอยู่ในป่า จนได้สาเร็จฌานสมาบัติอนี่แหละอันนี้ท่านบอกว่าเครื่องที่พันธนาการที่แก้ได้ยากก็คือทรัพย์สมบัติพัฒถานนี่แหละเป็นเครื่องแก้ได้ยากให้พวกท่านทั้งหลายพิจารณาดูให้ดีก็แล้วกันนี่แหละพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านมีบทบาทมีหลายแนวทางเหมือนกันมาพิจารณาดูก็จริง อย่างหลวงพ่อเหมือนกันอเครื่องพัฒนาการหลวงพ่อเนะี่ยถ้าเป็นภายนอกเลยเนะี่ยวัดวาศาสนาสารลงสาลาศรัทธาญาติโยมเนะี่ยเป็นเครื่องพันธนาการไม่ใช่น้อยเหมือนกันขนาดหลวงพ่อจะไปที่ไหนไหนบางทีเขาก็บอกมาหลวงพ่อวันที่เท่านั้นอยู่ไหมเนี่ยแหละเป็นเชือกเส้นที่หนึ่งต่อไม้อีกหลวงพ่อเวลาเท่านั้นหลวงพ่ออยู่ไหมหเดียวเข้าไปกราบ กุ่มท่านั้นคนเท่านี้คนเป็นเชือกเส้นที่สองผลในสุดมีมากมายเครื่องพันธนาการนี่แหละสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องที่ผูก อ, อ่อนๆเป็นเชือกที่พุกอ่อนๆแต่แก้ได้ยากคือเรื่องเหล่านี้แหลให้พวกท่านทั้งหลายพิจารณาให้ดูพิจารณาดูให้ดีกันแล้วกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้น แล้วจะทํำยังไงจะทํำยังไงก็คือให้พิจารณาว่าอเนจังของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกเสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนของเราถึงเราจะเกิดมารับผิดชอบขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งนะหลวงพ่ออินนะออีกสักวันหนึ่งไม่ว่าซาลาไม่ว่ากุฏิไม่ว่าศรัทธาญาตโยมไม่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มาเกี่ยวข้องหลวงพ่ออินจะทิ้งทั้งหมด ขะร่างกายหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินก็ยังจะทิ้งนะหลวงพ่ออินก็จะตายแล้วก็จะทิ้ ง, ท, ง, ท, งทิ้งกระถัดขาะร่างกายเมื่อทิ้งแล้วใจจะออกไปจากร่างนะออกไปจากร่างจะไปที่ไหนนั่นแหละเป็นหน้าที่ของหลวงพ่ออินจะต้องคิดว่ามีพร้อมะอะไรยังคุณธรรมในจิตใจที่จะออกจากร่างนี้พร้อมะอะไรยังนี่แหละให้พวกเราคณะจตท h a ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะถามตัวเองนะว่า เมื่อเราจะออกจากร่างนี้นหะเมื่อเราจะทิ้งร่างนี่นะ เ, เรามีพร้อมหรือยังเตรียมบุญกุศลเพชรนินจินดาใส่จิตใจของเราพร้อมหรือยังถ้าเราพร้อมแล้วกันนะไปนะสถานที่ใดออกจากภพนี้ชาตินี้แล้วไปเกิดภพหน้าชาติหน้าก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความพรมเย็นผาสุขแต่ถ้าหว่าเราไม่ได้ขนขวายเราไม่ได้หาสสแสวงหาทรัพย์ในขณะที่ เรายังมีชีวิตยอยู่เนื่อเมื่อเราหนีออกจากภพนี้ชาตินี้ไปไปปฏิสนธิในภพหน้าชาติหน้าเนะ่เราจะมีอะไรเป็นเครื่องอุ่นใจสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดเพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะถ้าพวกท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดนะ เลืตายและศูนย์ให้พวกท่านทั้งหลายนั่งภาวนานั่งอย่างพระพุทธลูปนั่งนะในต่อหน้าของพวกเรานะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกออไม่ให้ใจของเราคิดไปทางอื่นความรู้ของเรานะคิดไปทางอื่นให้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นบังคับให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้น ในเมื่อใจของเราไม่ปรุงไปทางอื่นจิตใจของเราเน่งอยู่ที่ปลายจมูกพุโทโธพุโทโธด้วยจากนั้นใจของเราจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อใจิตใจรวมเป็นหนึ่งแล้วนั่นแหละเราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอ่านกันความรู้ตัวนั้นกับร่างกายเป็นคนละอ่านกันเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้หนเห็นได้ชัดเลยจากนั้นคนขับรถนะเมื่อออกจากรถเราจะไปที่ไหน ถ้าร่างถ้ารถมันพังแล้วนะถ้ารถของมันเสียหายแล้วนะมันจะเฝ้ารถได้เหรอมันก็ต้องออกจากรถนะนะแต่ว่าใจนีใจนี่ไม่มีป่าช้านะออกจากรถได้ไปเกิดที่อื่นได้นะี่แหละตายแล้วไม่สูญจุดนี้ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายศึกษานะจุดนี้นะนะทำคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านบอกว่าตายแล้วไม่ศูญนะตายแล้วเกิดอีกนาะพบอาชาติหน้ามีจริงนะ นรกสวรรค์มีจริงเนอะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วกรรมชั่วอย่าทํำเสลยดีกว่าเมื่อทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นพนะธรรมให้ทําสิ่งที่มันไม่ดีกรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าถ้าพวกเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วความชั่วนั้นจะให้ผลติดตามเมื่อภายหลัง อันรับพ่อนั้นโมทนาให้พน